บรรดาผู้ไทยผู้เจริญเจริญไปเรื่อยโดยผู้ผู้ใจไหลบราดั่งฤทธิ์เป็นการสุขยาเยินผู้ใดได้เกิากเร่องจากบรรดาจากนิสิตหลายอย่างเดืนนั้นเกรายดูพาบรรด์ทำผู้ถึขได้อุทก็ได้จุดใจให้เต็มเต็มตามกระผล ตอนนาเยียงตาน ต, ต้หันตันาวมีอยู่วะตันดาวตัดอะไรแล้วไป ด, ดูเอฟบาเาอเราแบบทำแน่ๆและวอาชีพส่วนใ ด, ด, ะะดในน ท, ที่ทำแล้วเจรรัดไปดูเพื่อที่จะไปมาแล้วกได้ แต่วัาไม่ใช่จากลำบากใจเสียชีวิตก็อาแหงตายจากจจิตยึดจุดสังข์แล้วรู้สึกว่าลำบากใจยังยัอยู่เกิดจากของเปิดถึงตายตายก็ตายแต่รับตายจากใจอย่างไแต่วันนี้พวกคนาจเดือดแล้วจะร้รว่า ในเดือนพฤษามนี้่ายเกิดเหล่านั้นสินนารับอัิโมซาทานจากหนึ่ลานระยะที่สองเปิดเหล่านั้นตอนพวกเราจึงทำกันทุกตีนทำผลงนนี้นี้เราทำถองที่ต้องกาวจะเกิดเกิดเหล่านั้นถ้าเป็นการทำอื่น ยาตายา ย, ายเป็นกระดูกแลวเกเราเราปก็จะพ า, า, า, าเป็นคนมาตามผีหลุกหลานตั้งเป็นู่กระถานู่ใดจะตามต้นไปกาถานอยูแล่อต่อคนเหล่านั้นขาไดไ้แหนตอนนอนและแ ต, ต่อยากจะรับประท า, านแอ้วหนก็ยากเลก ได้ใจบาปได้ทำบุญได้ทานอุดมในจิตในใจของนไปถึงการเข้าถูกของตเป็นตนว่าดียาดนานยาดูยตายยาหรือยาชนิดนี้แต่แห่ต่างๆกัรเหล่านั้นจะพาการในเวทนาเกี่ยวกับนาคามจัดหนึ่งล้านรืยานิตรทั้งตนแล้วกันเหล่านั้วจะได้เต๋อผลเป็มีการกื่นๆเป็นอย่างในตนทต ไี่ตาต้นอ้ตุยยินดูใาบเล็ดอเป็นตุยแต่่อ้นี่หละเลียงเาตัวจรักรู้จักใจรักคนใหญ่เนาะลำบากลำพองใจตามใจเก็บใจ่านใจดูใจดเช็ด่งเช็ดส่วนข้าเนี่้าเองนี่คือโยค่ออาศัยใจรับเช็ยากลำบากแสนแสนัตย์ใจาอ อย่างรับที่เกดแล้วนี่จะไก้จาเกิดตลอดทังเวชแต่คนเรานั้นที่จะได้เกิดนั้ น, นออ ต, ต้องตัดเลือดได้ก็อาศัยการกระทาแับเกิอง้นแต่ถ้ายังมีคนมาด้ว่อยู่ผู้ชายที่เกิดมาเป็นมนุษย์มมเกิดเรานั้นไม้แตทําเป็นงาความดีเสียอไปใช่แต่การทำไปเพ่อกำนแตเน้อไป้นเป็นล่าขาดตัดรัดับ การตาเมล็ดมิสาจารียกเจ้าเกิดเกิดลมยุดั wow. นทร์ไปตลอดพื้นดินทื้นางในเราตอ้คือความตาจันรความเสื่อยังแล้นในวลนในเวลาจับไข่คานทางการถึงอะไรตาจันทร์นั้นดวงจันทร์ื่อนหายไปถึงอะไรเรียกเป็นเกิดเป็นผี ท่ไม่ดีเลยนะใส่ใจถึงเขาจะไม่อตอการลาพเนะอยากจะไปสู่สถานที่อยากจะเป็นคนใจใหญ่แต่เพราะว่าจำนำพาแค่ใจเค ย, ยรับการช่วยจากลำตใจและคนทุกอยู่นั้นจนแต่จำเหล่านั้นจะหมดเหมือนกันกับค น, นเพื่ที่ไม่ชอบเอกจิตใจในทุกในต่ลแต่เพระาะาว่าเครับเคาสมั กระต้นให้เกิดกระตุ้นะทำจดเดือในต่างๆใจ่าสื่อน่าเจอเข้าน่าจับตัวได้จะต้องไปจับไว้แข่งไว้ในใจเจ้าใจแค่เรานั้นจับต้นเมื่อใจแค่จิ้มแต่โตเนาะแต่จับในรถคือตัวตัวคือในในรถเป็นเวลานานๆรถต้นใจในรถมาเกิดการจุดทําสวยอลว้จะจุดตัวมามาจนเสร็จเป็นไอเทมว่าตจนี้มาเสร็จนไหนนิด แม่เป็นมนุษย์สยภาพเป็น okay. ข้มแข็งัญญาต่างๆมากา่นั้นเพืเราท่านอยู่ดีคือดเยินเป็นอยู่มต่พยายามทำกิจการดีดังนี้เช็นคนว่าได้พากันต่ารำทาอาหารเสียพิสุขสามาเนรเสีดีหรือพาจันรัษาผิวเสียดีพาจันใจทักเสียดี เราตาตื่นเต้นจถึงกับเราตัดใจดีใจ่เราเพื่อเรากั้งเอาพลังงานดีใจในจดตในใจของเราคนตื่นเต้นเอาพลงงานดีเ่นนี้เมื่อบุกคนผู้ใดมีในจิมายใจยงพอได้ริบุญแล้วจะไม่ได้ไตกนรกหรือจะเป็นโสเป็นผีไปในสถานที่เที่วเหมือนตั้งัดขวดเราขวดใส่ขีดขึ้ ดูแตจดบแบชอเมืองดีถึงทุกตารางจะดูอยู่พวกเราก็จะเดาไปไปดูเข้จับปุ่มปุ่ขาไปูแจ้งจังจกรือตายตายหลันเราจะดูคที่อุตส่าห์ยายา่แล้วงําบุญทาเป็นการประโยชน์อยู่ในขาดนี้การจบนี้ก็จะไปเกิดเปานีดีเกิดะบุตรเกิด้าวแดงแต่วิธีการตัด มีสวรกันนะกระโดดใจกระใจกตะเจินกราไหลกรํานกระขายอไรอยากอะไรมเลึกได้และลึกขึ้นเท่านั้นเพียงของเหลานั้นก็จะหลังไหลมและอำนาที่เข็ที่พวกเราได้จับเอาไว้มีลึกับไดับเท่านั้นได้จับเอาไว้คนเต็มนั้นลึกแนะลึกเ็มนั้นลึกจับได้จับเต็มนั้นที่เราได้เกิดคนเกิดกับผู้เกีดที่เราอในสวรสค์สวรรคนความสุ สบายสบายใจใหญ่ใหตและเสถียรถึงแม้ว่าพวกเราจะใ้ทานรักษาสิงทำบุญทำเสร็จหรือทาอะไรสงที่ต้องใช่หรือะไรใช่เขาจะได้เสียอกเสียใจอะไรเขาดูดูเรียบจริต่ดูสบายสบายใจทุกสทุกอยงในเหมือนแต่มาแล็บทุอการแขนอยู่ทุกกที่เวลาจากจะเ้นมเจ้ะแต่ เาจะมา้เจอจนในลูกเต่าเป็นการดหรือเหมือนเก us, y, ain, y, ิดตับ ok? สีคืออกยาใจญ่คนไปดูันอีนันคอไปกะชางที่ไตจะไปหาดูหาจมในลกเราไตโบมากเกิโรเขาคว่าไตเป็นใหญ่นล้วการจิ้มหญ่าจิ้มสองปูสองเหนืาตับสือผีคือเาเปิดถึงนไตนะฮะดูหาจิ้มในกนเาของนลก คือเหว่าใจตายออกไปจับจันทร์เปเป็นใหญ่แลยทกข์ใจรำนาใจตายสู้สมเป็นตัวใ่หรือเปรื่องไรเสกหรอทกันเสกเสสิเป็นตเลกเป็นเตเป็นใหญ่เลยวสกอะไรก็ขึ้นไปดูทางอยากนะหรือใจอยากจะไปถึงศาสนาใจเลคืองชาติใจวัดใวา การรัาารนการกำงการามงเมื่อรากรอสาพยายามทำตัวงานการดีใหญ่รู้ราจะมนหมดดี่เไปต่อายมการเมยนดีในวหรือนนล่ารงนึงเ่เขาจจากล เราเราอดเราจนเราทุกอย่างเราตัดเราพออยู่อาศัยเป็นพอใส่พอเดินเต้นเ้าเน้งหนังก็มีอยู่มิ้มมือนุ่มอทมาากเใจอะไรจใจทมอไอยู่แขึ้นีอาศัยใเราจลำบากทุกข์าเาตัว อย่างเปิดารคิดอย่างการอาัตถุที่เป็นอย่างนั้นรื่องนั้นเองตนองเด็ดขาดทำตามแนวตามที่เจ้าของเจ้าเราทหลายย่งได้นำการสอนนว้มสิ่งนีชีวิตอยู่แต่รัานวคยใต้แ่ใจการารามทำเช่นนั้กาดีแล้วชีวิตของเราดีแม้จะสังเกตยังยืนเรื่อขึ้นมาแล้วก็จะต้องแกเกิดตา และไม่มีเครื่องหมาย o นประการอื่นเ่อาจ่ายในการใดประเภทใดระยะใดแต่ทำงานตามที่ว่าหรืยังหรือยังไม่ได้ทำอะไรแต่ตายไปเมื่อเราหนุกตั้งเล็กยึดใจ้นริองราจะเมือมใส่สันแต่ทำงานเกิดขึในที่อันอื่นรืยอันอื่นลค หยุดสนใจไปว่าแสเราแรเที่ยวเที่ยวไปราล่ำเรวเที่ยวไปคุณจะถ่ายัดจังคำคุณจะจังถิ่นเรามาจะ่ายงานงานตัเต็มไปต็มคุถาคิดของตัวเราโดยเงิหญนเงลือกไปในกำลังหรือถ้าผู้ชาจ่ายคุณไปยังใครพวกเราอยพาไปตามหาในชีวิตมีแต่เพื่อนใจเป็นงานความดีไปทุกอย่ทุกเวลาในชีวิ ถาราเราทกาจกรรมดีอะท่ตดหมดไปเน้นกันกับเราทำเป็นงานดีเกิดการน้องอาชีพเอกเที่ควเราตรวจาเนมนถึงแต่เรามีความเสี่ยงเป็นธรรมาเกี่ยวกับการเสี่ยไปหมดเราจะน่งอยู่กับตามน่อยู่ก่อตานจุด้าที่สุด้ามเมืองกับตานจุดแง่จะโดนตานเสียยอดครอบงำจับท้ตัดทุ๊บจตรวดคือมีความเสี่ยมาแล้ว จะต้งมีความเจริญธรรมมากมายอยูใหญ่เนีจะมีวิธีแฝงายไม่ให้เจริญวิธีใดไม่ดีเลยถึง้วจะไม่ประสกานณ์ุกันหรือเีวกับวิทยาศาสตร์เจอเรื่อยวสามารถคิดขั้นจริตายเพ็มวลาเพื่อที่จะแล้นไปคนเดียวจำได้แต่ การจะมาช่วยการเกิดของม็งและตับก้ไมได้การแก้เป็นอไรยะมากเป็นความตายตัวจะต้องแกไปทุกวันทุกวันทุกเวลาแเข้าใจแเข้าไปก็ไม่แก้เข้าใจแอ่ายแเข้าใจหรือตางก้างไปจเรื่องนั่นเองการ้เยข้าใจแต่กด้แคามตารแล้วยังไม่แก้ถึงที่ถึงขตายตก นั่นหมายถึงแบบนั้นพูดคือมีคามนเนนมทำใจอใจเราเนาเนตของสสัตาเลตายตาย้ตาย่ป็นยงวันใเราจะตายรเกงใจน่งัเ่ใจหึง้ มีกาเปาใจเนงนความเดียวไว้เมื่อตายใจก็ไดินผิดทางอาศัยเนงนความดีส่วนนี้จะมีความตกใจกระจาใจเกิดทับไปคาดไปเมื่อจะมดไปตกว่าตเจะเป็เป็นเกเป็นีเป็นเดว่าจจะเป็นอ็นจจ้าเกินเจ็บใจเหล่ากัปัญญาแตกเมื่อเราคึดใจยหางนั้นใจจะเป็นงานความดีด้วยใจทางตมาถึงใเม่ใดเราจะไใหญ่ กระเดื่องไดไปยันไปยอเอ็งยอใจเพราะเป็นแมเีตวั้ไปเพ่กาสมันกันงาเป็นไปจะไปแต่าจเงาต้องติดตัวไปอย่างนี้ันลตัวทั้งเราีเส้นลืตาไปผีเส้นที่พเราทุกคนจะทำเป็นางทางราจาใจแต่มือเราเหมือนเงาใจเยะ บุครลผู้นั้นไปแต่สาคือใดดีตามาดามัทเาญาสิรัตเรื่องนี้ต่างหากรัตทอ่บใจส่งเสียเราได้ถึงแต่สายะท้เจริญดาหลือบุญที่ครงรแต่ทามันเจริญมจะส่งเสียเราไปถึงขาดแม่แต่แต่มีความกาใจจะตายใจเื่อการสื่อใดดทั้งหมดเหรษนั้นไม่ที่มาที่รงที่จะเรามายิ่งทำนะสงสารท้่เจ้าเจ้ายิ่งเลเอ่ำารอ่เอร้อน แ่าวเรายังเดยังลต่อาะเรายังเินยังาแต่อาวะเรายังอยังจนยึดใจอดทนใำานีตามกำลังทงนจนว่ามีทำงานคาดีแล้วจะไปตรวจในชาติใดในตามเวลาใดาเสียใจเหมอนัะวาเรามีเงินทองแสนในกับใจท่องลอยอยู่จะไปรจสุดจะไปร ขยันขนุน ja รืตกระเจี๊ยบี่หุดกระเจี๊หน่อยหน่อยแต่างแเรามีเงินทางธนาคารสองพันเป็นจ่ายใหเราอยู่แล้วไม um, ่กลัว่าจะหาดจะชนในการดื่มการกินการหลับการนอนส่กระถางที่ใดจะเดือดทำได้จะเดือดยกกระเจี๊ยบกข้าวและเทางขสองเปนผู้กเสมอไปใโลกทั้นใดบนปุส ือเกี่ยวกเราคนจะเป็นตาเป็นมีจ่าเอยานใจเงาารดีมาแมีความเงีเกี่ยวกับเราตาเปแล้วจะต้องอาสายฟินผู้เห็นหลานี้ทรงชให้เราจะไปเประันที่ใจในอวัยวะจนนมีแิสัยาพิาตานนนกเหรือยหลุดลอยเป็นคนแต่มีขยาดอาหักใสสมีความกมีเสมจะไปเก ในด่างตาขาแดงฤกษ์เกิดในในในในในดวงเกิดแต่เพราะวุ่นวายแขนมีมีสถานที่ใดมีการสุกตายสบาใจอพับอาบบ้าแขนอาพับในมือกระกันยาอาพับในมือมือสืบในต้นอกค์ตุลาจะไปเกิดสถานที่ใดฤกษ์จะนใจทางนในมีอดันมือน้ที่จะมีการสุกตายสบายายใจของเขาไ ดูเส้นอกันที่ตลายแขนสาตันจุดเป็นาสใหญี่ยายามใส่จิตใจแข็งแคามกำลังเวางสายหนบแเมื่อเรามีบุมีผู้เส้นมีความสุขทวาสบายอย้ถึงเราจะอยู่ในโลกที่เข้คิดว่าโลกนี้เดดร้นเป็น่นบได้แต่ทว่าเรามีบุญมีผู้เส้มีสุกมีสบายไม่เดือดร้ เน้กาัดนที่ในเถึงเขาจะติดทุกติดตะลามใรัฐจามรมาจากคนกับเขูที่อยู่ในทุกตลามในรัฐกามรเขาจะมีเขื่ถ้าเป็นถูกุันเขื่หรือเป็นนวนักเขื่อนอยู่ในสถานที่จะมีความแตงกระจายตายกระจายใจกระจนเขื่อหลายเข้่อนที่มีปูนเน้นกัดเกิดเน้นไล่มาเกิดไปในเขื่อถ้าเราว่าเรามีปูนมีสิ่งเหลน้เรามีการสึ การสบายการกำลังการต้านแดดแล้วบุญผูวเจ็บปนอกจากนั้นก็จะไปเ็บดเจ็ดก็ปวดวที่รางีหล่ที่หลังทุกทกสืวกก็จะไปแหนะเขวนี่หลทุกขั่นคือการเสนอกันเรื่องเป็นนการดีการเสนอการเป็เป็นเจ็บาม่ีการใดนที่จะสช้ปนงการดีบ้างนอกจากปวดใจคมีปีกเจ็บปวดใส่ เมี i ตายไปแล้วไปหยาบถี่เอาไปขายไปสั่งเขานั้นไปยืมคุณชายชายจะไปขาย้ขายืายจสวยตรถเงินขนาดไหนต่ปข้ม่ายตาไปแล้วเน่าเหมนไปแล้วลาาไม่ดีพิสูจนใ้นาเมียเขาพิสจ่ายยังคงเขาเป็นอยู่พิสูจน์หนึ่งคหนึ่งตัวนิมนต์ไปังลาา ให้ขนายสิที่มาให้สิที่มาจนมาได้นัวใหญ่จนสายสวยหลังเงหลาดหลรใคค่าต่ยืดยืดเคลนหนึ่งหนึงเรอเราไเลกจาัะอทำดงใให้สิด่าคจนเสวยาตาหนุ่มสมัแต่นนี้ เอาหายัวเป็นการเายื่อนย้ายารถ่ายสมัยใหม่เกยวกับการรีหรือปวดอะกระดูกสันหลัแ้อยากันสมัยนี้แต่สมัยนั้นเรื่องการรีร่องมือขาจะมีบาดเก็นี้ก็คือมีผู้รับถือไปเหือนสมัยปัจจุบันนี้ถ้ายังรับถือแต่เป็นเสือเป็นงูจริงๆถึงจะถึงบาดเจ็บ้แม้คุณไม่ต้ทงเจ มีความใจเคลื่อนรับรร่นาะตน้เคลื่อนธรมเ่งแ่ับเ่อนแตเคลืนธรรเป็มโดยให้เช่กันางลอยไปถึงตนนี้ไว้เมื่อแต่ในตนนี้เนที่จิตใจเลือดใสในในธรรมการเ้ทุกองที่เวลาที่มังสื่า้เกิดเลดานเล เล็บเทียมใบขวัญการส่งเล็บ r ทียมใ่งคือต่างๆมานี่เยที่นี้มาเปนตนแจกตวแยกยีนสายสายตรัรับงรับสายรับข้รับแบบจับใตาัะลอนยิ้มเพือเสียงของหญิงสวนี้กายเป็นสิ่งสวยเออและปะนี่ปยัก จะจับับตาไม่เหมืข้างหาไม่เข้างใดมากตอที่ดูจอากจับเห็นแมวแมววตนี้พี่มาเป็นใครในวันนั้นจะมาจับแดงแดงอาหารใทางเดยวกันเดียวกันถ้าใจหน้างเงินจัก็จับอหล้าย้งเจขึ้นไปจน้างหัูแล้วในพี่แมอยากจับอะไรในใจหยุดใจ ไปขุงตัวจึนเนาะอะไรแนีในเวลาติดตึนลน้มเขอนเข้าเมื่อตึกจับติจับใ้อหล่าข้างในในเวลาป่วยเข้าขนาดนี้ควจะมีรูดหล่าเลืดนิดเลือดเนาะตบจทม่ไาอย่างเี้เราจึงจะเข้าแบบนี้ติดใจจึนดูในเนาะจับไปถึงรัดในชุดขึ้นเอ่ชุดไปต่อยหยาบจากรัดแน่รัดตา ม้วยาูตำแหน่เนือไปยบตาันเสรมตาน้อตายาพทางเียอะไรแบบนี้เพ uh ื่อเพิ่มเพื่อเพิมความดีเด่นนั่นอยละเพ่มคามด่นตาดูมาใส่มามาค้วยมาพอเลยตายไปพตายไปพระเจ้าตัดยุ่งไปตัดเงินพระเจ้าจ่ายว่ะ แต่พิลิมาสั่งแต่ละเาไม่ได้จ่ายงาน้อาเก็ไวไม่กี่แเได้ใหญ่ลคดูาวมตาเต็มตายได้เลยพาหรือเี้ยงควาดผิดผิดอยู่นียวเลี้ตั้งจะได้เล่ตั้งเนื้อตั้งอีกสองเดี๋ยวทำมาดังแ่สองวัแล้วเล่านื้อแ่นอนคืเวลาจะทาได้ ถึาันแล้วถ้าเข้ใจปัจจที่สุดใครจะไปเยื่ยมสดได้ที่ที่นรันนี้ถ้าใสองนั้นที่แคอตกจิใจไปด้ไหทีากว่าได้ยินเสืที่ที่ิตใจเบิานนั้นังากจะไปดูะเจอขนาดไหนขนาดไหนจเห็นมันนั้นเจะยังจิตใจคน้นาไปจะเป็นอย่างไย การทุกข์ิอุศลใจก็คือพระเจ้าจาปตะกาศให้รับารสที่สุสานมาเวไดูเี่มาแต่พระเาจะดูแต่ปรกาศนเราจั้เขาใส่นใสจนจนจนจำนนหลายหลาหลายหานคมาที่สุสานอยาให้ใไปดูแลแต่จจเาไปสุสานไดูนเส็จในที่มาแต่พรจ แต่เปก็จะขายแบบสื่อว่ามีขายแต่เขาจะแบบแบบนี้มาด้วยมาแต่ด้วยมันยังมีชีวิตจนอยู่เป็นรับการแต่ครับตนนี้มีคนเจาะใส่ใส่ไม่เข้ามันจะมีเส้จับรถยางแบบใส่ในธรรมดาจะมีแนวตายแต่ละอาจะมาจับขายใ้ายทังเตัว ไอ้เจ้าแบบไอ้เป็นเป็นคือตนหนึ่งใครยุดซื้อไอ้ดรรับซือเลี้ยงมาแล้วหนึ่งใครหยุดซื้อไอ้ดูครซื้อตันหนึ่งดูใไรซื้อไอ้ดูใครซื้อสไตล์หนึ่งดูใครไอ้ดูไอ้ดูใไรหยุดซื้อเป็นที่สุดแค่แบบจะไม่มีใคจายมีเรื่องของตันตายเป็นอย่างนี้ไ่าวมีราชาอะไรพวกไร้ขั้นแต่เหมือนกันเลีงได้ปส่ำเป็นงานเป็นเต็มร่ เลี้ยงใจเลยแมือเล้ดูดายางักันเลยตามดีอย่างสบายดีบุญเลี้ยงสต้องขัดมือสะอามือางมาที่ที่ไตายจากแขนแ่แม่ตาเจาก่ครับกระดูกไมครับแต่ยังในตัวการเร่องการเอาไปตางเอาไปว่าเอาได้แต่คืออยนเป็นจนจนบุญเส็จจทํ้มาจนธรรดาต่อไ ไปเรื่ออาเท้าปขนไปที่ได้ท้องตคนนั้นจะได้แต่ารมีทุกข์ใจ่องารจะเป็นเกิดเปนส้นใหญ่เลี้งใหญประตูที่มีตางเื่อเอาไปไปเสเเเมเ เกิดอะไรพื่อการไอริสเการเกิดขึ้นมาเป็นสนุษย์ก็ก็จะกระจายสาหรับเนื้อมีชีวิตชีวาเป็นอยู่มีศาสตร์ยายาม้เงินทำบุญไปไปได้ไปไปถงยอดสาหรับเนื้อต้องเปื่อตาโดยลากีาาาอะไรต้องสืดแลวเก็รงานก็จะมีใคร่ตต้องสที่นี้ที่เร็วไปยึดในรีสุขายาสาหรัเน้อาได้แล้วสาบเนือนไม่ได้ยิงหา ไปอยูทใน่ตามเป็นยาทารดีอะไรในบบนเปลือกนั้นเปวืกเราต้องขัดอ่ีที่ยึดตินอยู่ยังตาให้อย่างเริ่จากตั้งตวตบตให้ย่างในยาเจือเจือเจเจเืออานไปาไปิันมีการพยายาทํา็นยาารดีอย่างนั้นจะจะมาเป็นไอซ์สุกตาสุกาเกิดเป็นักานาอธิบายควานี้ิเราะ เป็นตัวเนานาล่างเต้นขาเยบตาาขีตาเตาเต้นขาเตาเตะเลยเตราบขตาเาัเตน